สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาทนะครับในวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่หกสิบเจ็ดแล้วนะครับบทเรียนจากคนโลกเรือนในพระวจนะพระเจ้านะครับในวันนี้มาระโกบทที่หนึ่งข้อที่สี่สิบนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคนโลกเรือนคนหนึ่งมาหาพระองค์ทุกขเข่าลงทูลวิงวอนโปรงว่าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าโรงหายโรคได้ เ ย, ยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้นตรัสแก่เขาว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายและคนนั้นก็สะอาดก่อนให้เขาไปพระองค์จึงกาชับผู้นั้นตรัสแกเขาว่าอย่าบอกเล่าอะไรให้ผู้ใดฟังเลยแต่จงไปสำแดงตัวแกปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโลกแล้วแต่คนนั้นเมื่อออกไปแล้วก็ตั้งต้นเปล่าร้องมากมายให้เรื่องลือไปจนพระองค์จะเสด็จเข้าไปในเมืองโดยเปิดเผยต่อไปไม่ได้แต่ต้องกระทับภายนอกในที่เปี่ยวและมีคนทุกแห่งทุกตำบลมาหาพระองค์ขอบพระเจ้าเวยพระพรผู้ที่ได้ยินได้ฟังประวติวบบชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ พี่น้องที่รักครับบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือพระเยซูทรงรักษาคนโลกเรื้อนและเป็นคนโลกเรื้อนที่จูเหมือนว่าเขามีจิตใจในการตรกกาศความดีและพระคุณของพระเจ้าเพระเาะั้นพระเจ้าตอนนี้นะครับแต่อธิบายถึงขณะที่พระเยซูได้ทรงดำเนินไปทั่วแคว้นกาลิลีมีสาวกของพระองค์นะครับทั้งสี่คน ท่านคงจําได้นะครับไปโตแอนดรูเป็นพี่น้องกันยากบและยอนก็เป็นพี่น้องกันและมีคนเป็นนั้นมากครับก็ติดสามพระ อ, องค์ไปด้วยบางคนก็ต้องการฟังพระเยซูนะครับเพราะพระ อ, องค์ทร ง, งเป็นอาจารย์ที่น่าศจสะใจบางคนก็เป็นยิวมุงนะครับก็คืออยากจะเห็นพระเยซูรักษาโลกหลายคนเจ็บก็ได้ป่วยก็หวังจะได้รับการรักษาพระธรรมลู ก, กาบทที่ห้าได้บันทึกถึงว่า พระเยซูทรงอยู่ในเมืองและมีคนโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวมาหาพระองค์พี่น้องครับโรคเรื้อนนี้เป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งครับซึ่งลุกลามไปเรื่อยจนรูปร่างกระดูกนะครับผิดรูปไปเป็นโรคผิวหนังแต่ลุกลามไปเรื่อยจนกระทั่งกระดูกนั้นหรือเอ็นต่างๆนั้นผิดรูปไปเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการหยิก ง, งอนะครับของนิ้วมือมีอาการกุดของนิ้วมือนิ้วเท้านะครับ ในสมัยของพระเยซูนั้นคนโลกเลือนนั้นไม่เพียงแต่ทุกกายนะครับแต่ทุกใจด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกใจเพราะว่าต้องถูกขับไล่ออกจากสังคมเป็นคนที่สังคมปรังเกียจมากเพราะกลัวจะติดโรคนะครับต้องสวมเสื้อผ้าขาดวินต้องโกนศีรษะไปไหนมาไหนต้องคอยร้องว่ามลทินมลทินหรือมลทินแต่ว่าไม่สะอาดที่น้องครับถ้าเราต้องเดินทางไปไหน เดินทางไปไหนมาไหนแล้วเราต้องบอกว่ามนทินมนทินนั่ น, นะครับคืออะไรครับคือการฟ้องตัวเองนะครับการประ น, นามตัวเองเตืเอนคนอื่นไม่เข้าใกล้ตัวเองเป็นการสร้างความทุกข์ประมาณนะครับต่อจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอย่างแสนสาหัสชาวยูนะครับเชื่อว่าโรคเรือนนั้นเป็นผลของความบาปฉะนั้นคนที่เป็นโลคเรือนจึงถูกขับไล่สายสงมิให้ร่วมพิธีทางศาสนา อยู่บ้านของตัวเองก็ไม่ได้นะครับต้องแยกไปอยู่ในนิคมคนโรคเรื้อนไม่ได้เห็นตาเห็นหน้าเห็นตาภรรยาและลูกๆไม่สามารถพักพิงกับเพื่อนฝูงได้เข้าไปในธรรมศารลาก็ไม่ได้นะครับจึงเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ถึงถึงจะเป็นโรคที่รักษาไม่ได้พี่น้องครับจากพระคัมภีร์เดิมนั้นเราเห็นว่ามีสองคนที่น่าสงสารมากก็คือมิเรียมนะครับที่เป็นโรคเรื้อนซึ่งเป็นพี่สาวของโมเสสแล้วยังมีคนหนึ่งครับก็ชื่อ แม่ทัพนะครับชื่อนาอามานชาวซีเรียนะครับเรื่องราวเขาก็บันทึกอยู่ในสองพงศษผลที่ห้าครับที่ผมได้เคยอธิบายให้ฟังแล้วอย่างนี้ก็ตามครับคนโรคเรือนนั้นสมัยหาพระเยซูเขาคุกเขาลงอ้อนวอนพระเยซูนะครับแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าพรงเจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดจะบันดานให้ข้าพระองค์ได้หายโรคได้นะครับที่น้องครับคนโรคเรื้อนนี้รู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ตนควรนมัสการและรู้ว่าหากตนมีความเชื่อ เปียสุก็จะรักษาเขาได้เปียซูตัดว่าไงครับเปียซูตัดว่าเราพอใจแล้วจงหายโรคเถิดในพระม์พีบันทึกว่าเปียสูยื่นพระหัสนะครับถูกต้องหรือแตะต้องคนนั้นนี่นะครับที่เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากเพราะหากว่าคนยิวนะครับพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ยอมแตะต้องและอยู่ห่างจากคนโรคเรื้อนแต่เปียสูนั้นโรงทรงถ่อมพระทยัยโปร่งทรงยื่นพระหัตของพระองค์แตะต้อง โดยตามกฎบัญญัติแล้วเมื่อแตกต้องคนโลคเรื้อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนคนนั้นใครก็ตามที่แตกต้องคนโลคเรื้อนคนนั้นเป็นบนทินครับเรื่องครับในเพิ่มทีนะครับเน้นเรื่องการปฏิบัติการการรักษาโรคของพระเยซูท่านใช้คําว่าในทันใดนั้นบ่อยมากครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ า, วาการรักษาโรคของพระเยซูนั้นคนป่วยนั้นหายทันทีครับเช่นเดียวกันนะครับในครั้งนี้คนโรคเรื้อนก็หายทันที น้องครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าพระเยซูทรงละเมิดบัญญัติข้อหนึ่งของทานคนยิวก็คือชาวยิวนั้นห้ามถูกต้องเนื้อตัวของคนโลกเรื้อนแสดงว่าพระเยซูก็เป็นมนตินไปตามบทบัญญัติน้องครับแท้จริงแล้วการแตะต้องรักษาการแตะต้องนะครับเพื่อการรักษานั้นไม่ได้ทำให้พระเยซูเป็นมนตนีหรอกครับแต่ที่บทบัญญัตินั้นไม่ยอม ให้คนแตะต้องคนโรคเรื้อนเพราะเหตุที่บทบัญญัตินั้นได้ครอบคลุมถึงเรื่องราวของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับการแตะต้องคนโรคเรื้อนนั้นไม่ได้ทําให้พระเยซูเป็นมลทินนะครับแต่อาจจะทําให้พระเยซูหรือคนอื่ น, นๆคนใดก็ตามที่แตะต้องค น, คนโรคเรื้อนนั้นติดเชื้อโรคได้เพียงครับพระยซูสามารถรักษาเขาให้หายได้โดยไม่จําเป็นต้องถูกตัวเขาเลย แต่พระเยซูทรงทราบครับว่าการถูกเนื้อต้องตัวเขาช่วยสื่อได้ดีที่สุดให้เห็นถึงความรากักความเมตตาความเอ็นดูความสงสารที่พระเยซูมีกับพวกเขากับเขาพี่นะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับพระเยซูทรงถ่อมพระองค์ลงพระเยซูทรงยอมแต่ต้องผู้ที่เป็นมนทินนะครับหลังจากนั้นพระเยซูก็บอกกับคนโลกเรือนี่ว่า ทังก็ไม่ใช่ว่ากำชับเขานะครับก็าอย่าบอกอะไรให้กับผู้ใดฟังเลยให้ไปสําแดงตัวแกปุโปรโหิตและถวายบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามที่โมเสสได้สั่งไว้น้องครับเรื่องราวล่างๆเหล่านี้ได้บันทึกไว้อยู่ในเลวีนิติบทที่ 13, 14นะครับหากว่าพี่น้องมีเวลาเชิญพี่น้องอ่านได้นะครับบทบัญญัติยูนั้นซับซ้อนมากมีกฎเกณฑ์สาหรับคนที่หายโรคเรื้อนให้นาเครื่องบูชามาถวาย ตามที่กําหนดไว้นะครับและพี่น้องครับคนโรคเรือนั้นเชื่อฝั่งพระเยซูหรือ เ, เปล่าครับพระเยซูสั่งห้ามเขาไม่บอกผู้ใดแต่เขาก็ออกไปแล้วก็ตั้งต้นเป่าร้องมากมายเรื่องลือไปจนกระทั่งเกิดเรื่องครับก็คือพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองโดยเปิดเผยต่อไปไม่ได้การที่พระเยซูไม่ได้เข้าไปในเมืองแล้วเพราะว่าฝูงชนนั้นออกันมากมายเหลือเกินนะครับชายคนนี้ เพียงแต่ต้องการถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับแต่เขาละเมิดคําสั่งของพระเยซูทําให้เกิดผลสืบเนื่องเกิดขึ้นครับเฉ mm hmm. ันคําถามก็มาว่าทําไมพระเยซูถึงไม่บอกเขานะครับ mm hmm. ก็มีคําตอบนะครับว่าทําไมพระเยซูไม่บอกประการแรกครับพระเยซูต้องการให้สิ่งที่เหนือกว่าการรักษาโรคครับ mm hmm. นั่นก็คือคําสอนซึ่งจะนําไปสู่การกลับใจ และคนที่ได้รับคําสอนนั้นก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เปน The Best นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะสิ่งที่ดีก็เป็นศัตรูกับสิ่งที่ดีที่สุดเหตุผลประการที่สองว่าทําไมพ ร, รพระเยซูถึงไม่บอกครับพระเยซูทรงทราบล่วงหน้านะครับว่าจะมีประศักดแน่นอนมีศัตรูที่ไม่ชอบพระเยซูเพิ่มขึ้นนะครับก็คือพวกธรรมการพวกยุนนั่นเองนะครับ เพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะอิจฉาอิจฉาที่พวกเขาสอนแต่ไม่มีใครติดตามเขาแต่พระเยซูสอนด้วยพระเยซูทํากัจจักจรด้วยติดตามคนทั้งเมืองติดตามพระเยซูไปหมดนี่คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความอิจฉาซึ่งเกิดจากศัตรูของพระองค์ประการที่สามครับเราเห็นได้ว่าเหตุผลที่พระเยซูไม่บอกเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเยซูดูเหมือนว่าพระองค์จะไม่เข้าไปในธรรมศาลาอีกต่อไป หมดโอกาสที่จะเข้าไปในธรรมศาลาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าศัตรูเหล่านั้นหรือคนที่ไม่ชอบเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานอยู่ในธรรมศาลานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรามีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากประการแรกก็คือว่าเราต้องเชื่อฟังเปียซูยางสุดๆนะครับ <c oughs> เพียซูสอนอะไรเพียซูห้ามอะไรเราต้องเชื่อฟังพง์อย่าทาตามใจของเราครับให้เรายอมรับการทรงนา ยอมรับพระคําของพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าการเชื่อฟังนะครับอยู่เหนือความตั้งใจดีและความหวังดีเราต้องเชื่อฟังพระเยซูห์รอร์ซนะครับดีกว่าที่เราจะทําทําทําทําด้วยความตั้งใจดีแต่ผิดพลาดด้วยความหวังดีนะครับด้วยความหวังดีแต่เกิดผลเสียครับถามว่าในที่สุดแล้วอะไรดีกว่ากันครับแน่นอนครับการเชื่อฟังพระเยซู ดีที่สุดพี่น้องครับก่อนที่จะจบในวันนี้ผมถามว่าใครคือคนโรคเรื้อนในสมัยนี้ครับในสมัยนี้นะครับคนโลคเรื้อนแทบจะหมดไปจากโลกแล้วนะครับจะถามว่าใครคือคนโลคเรื้อนในสมัยนี้อาจจะเป็นคนที่ติดเชื้อเอสนะครับเป็นคนที่สังคมรังเกียจเป็นคนที่กีดกันถูกสังคมกีดกันสังคมไม่ยอมรับเขาพี่น้องครับมีคนมากมายนะครับที่เป็นคนโลคเรื้อนอยู่รอบตัวเรานะครับ อาจจะเป็นคนที่เกิดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาทำให้เขาต้องแยกตัวออกจากสังคมทำให้เขาต้องรู้สึกว่าต่ำต้อยไร้ค่าคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่เราต้องสงสารเขาและให้เขาได้มีโอกาสา ร, รับชีวิตรันอาเมน